ห้าสิบสองภาวะที่เริ่มก่อตัวเป็นตัวตนหรือตนเองยิ่งยิ่งขึ้นเริ่มแค่สะก้็คือของตนตัวเองแล้วซึ่งหมายถึงกับเป็นไปกับมีประกอบด้วยเหมือนกับเป็นไปกับภาวะนั้นภาวะนี้ที่ประชุมกันเข้าเกิดภาวะตนเอง ออกฤทธิ์ให้แก่ตนเองนั่นเองผีชานิยามพลังงานของมันที่ยึดเป็นตนเองไม่ถึงขั้นอนุสัยเพราะมันไม่มีท่ารู้ได้ถึงขั้นอวิชชาคนปุทุชนหรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวมันเองก็ทำให้มันหมดสิ้นความเป็นตนเองของผีชานิยามได้ ส่วนความเป็นจิตนิยามนั้นมีอนุสัยนี่เองที่เป็นตนเองตัวร้ายซึ่งจะต้องกำจัดให้สิ้นซากสิ้นทุลีละอองซึ่งต้องด้วยตนเองเท่านั้นที่จะกำจัดอัตตาของตนเองได้สำเร็จคนอื่นไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดอนุสัยคือความเป็นตนเอง ที่เริ่มเล็กยิ่งละเอียดลึกยอดและสุดท้ายรับเหลือหลายผู้อื่นจึงไม่มีสิทธิจะรู้จะสัมผัสได้เลยอนุสัยหมายถึงตัวแรกด้วยและตัวปลายด้วยอนุสัยภาวะที่เริ่มอาศัยมีทั้งตัวแรกทีเดียวก่อนใดอื่นแล้วจึงสะสมกันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งมันก็จะปรุงแต่งกันหรือหมักดองกันเข้าแตกตัวออกไปออกไปเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นเป็นตัวของตัวเองไปตามลำดับเป็นนิสัยสั่งสมนิสัยตกผลึกควบแน่นกันเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดแนบแน่นแน่วแน่ปากมั่นก็ชื่อว่าวิสัย และอนุสัยเป็นตัวปลายสุดด้วยถ้าหมายถึงตัวปลายสุดก็คือสิ่งที่ฝังใส่ตัวเองไว้เองอยู่ในรากลึกของพลังงานในตนตัวนี้ยิ่งลึกยิ่งเล็กยิ่งละเอียดยิ่งลับยิ่งมีฤทธิแ์แรงแกร่งแน่นหนักสุดๆตนเองของความเป็นจิตนิยามจะเป็นผู้ศึกษาตัวเอง จนเกิดวิชาแปดได้จึงจะสามารถละล้างตนเองให้หมดไปสำเร็จโดยการรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในธรรมนิยามหอย่างสำ ม, มาทิฐิไปตลอดความเจริญถึงสุดจนกระทั่งเป็นที่สุดสุ ด, สดเพราะผู้มีกิจนิยามสามารถมีภูมิรู้ถึงขั้นกรรมนิยาม และธรรมนิยามในขั้นโรคุตระธรรมที่สำมาทิฏฐิก็จะกาจัดละล้างอนุสัยของตนเองสยะได้หมดสิ้นเกลี้ยงสำเร็จจริงจึงจะชื่อว่าการอภิวัตพัฒนาจิตในจิตตามแบบพุทธ